จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญมาสร้างกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหมั่นทำกันหมั่นสร้างกันเพราะว่าบุญกุศลนีเ้เป็นทรัพย์สมบัติที่แท้จริงของเราเป็นทรัพย์สมบัติ ที่เราสามารถเอาติดตัวไปได้ถ้าเรามีบุญกุศลติดตัวไปชีวิตของเราไม่ว่าจะไปอยู่ที่ใดจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราเอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีอยู่ ในโลกนี้ที่เราได้จากโลกนี้มาแลกเปลี่ยนให้เป็นทรัพย์สมบัติที่แท้จริงของเราเพราะทรัพย์ภายนอกที่เรามีอยู่นี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากเราไปถ้าไม่จากตอนที่อยู่ก็จากตอนที่ตาย เวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วต่อให้เรามีทรัพย์สมบัติมากน้อยเพียงไรเราไม่สามารถที่จะเอาไปกับเราได้เพราะมันไม่ได้เป็นสมบัติของเราแล้วพอเราตายไปทรัพย์นี้ก็จะตายเป็นสมบัติของผู้อื่นต่อไปดังนั้นก่อนที่เราจะตายเราควรจะเอาทรัพย์ภายนอกนี้ มาเปลี่ยนให้เป็นทรัพย์ภายในด้วยการทำบุญเพราะทรัพย์ภายในนี้เป็นทรัพย์แท้ทรัพย์จริงทรัพย์ที่เราอาติตัวไปได้เช่นพระเวชสันดอนในขณะที่มีชีวิตอยู่ท่านทรงสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงนินทองต่างๆ ใครเดือดร้อนใครอยากจะได้อะไรถ้าพระเวชสันดรมนนีอยู่จะไม่หวงเก็บเอาไว้จะแบ่งปันให้จะเสียสละด้วยอนิสง์ของทานที่ท่านทำไว้ตายไปท่านก็ได้ไปเกิดในสวรรค์แล้วหลังจากที่ได้รับผลของบนที่ทำไว้ หมดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมาออกบวญมาปฏิบัติจนได้ตัดสร้รุเป็นพระอาหารหันต์สมมาสังคุทธเจ้านี่คือบุญกุศลซับภายในที่จะสนับสนุนให้ผู้มีบุญมีรับภายในนี้ จเจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานความจเจริญก้าวหน้าของจิตใจนี้ไม่เหมือนกับความจเจริญก้าวหน้าของร่างกายของวัตถุการเจริญก้าวหน้าของร่างกายของวัตถุนี้เป็นการจเจริญชั่วคราวเช่นเรา สร้างทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆขึ้นมาจเจริญด้วยวัตถุต่างๆมีเตดรามบ้านช่องมีข้าวของเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆมีรถยนต์มีพาหนะมีอะไรต่างๆมากมายแต่ของเหล่านี้ล้วนเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นมีวันที่จะต้องเสื่อมหมดไป มีวันที่จะต้องพัดภาพจากกันไปทางศาสนาจึงไม่ถือว่าทรัพย์เหล่านี้เป็นทรัพย์แท้จ ะ, จ, ะจะถือว่าเป็นทรัพย์ปลอมเป็นของปลอมไม่สามารถเป็นที่พึ่งของจิตใจได้เพราะว่าไม่สามารถอยู่กับจิตใจไปได้ตลอดไม่เหมือนกับทรัพย์ภายใน ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาสร้างกันทรัพย์ภายในนี้เกิดเกิดขึ้นได้หลายวิธีด้วยกันอย่างแรกที่เราสร้างกันอยู่เป็นประจำก็คือทานบุญที่เกิดจากการให้แบ่งปันเสียสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่เรามีมากเกินความจำเป็น ต่อการดำรงชีพไม่ควรที่จะหวงเก็บเอาไว้เพราะจะไม่เกิดประโยชน์กับจิตใจแต่ถ้านำเอามาแบ่งปันเอามาทำทานแจกใจ่ายให้แก่ผู้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอันใดก็ตามอาจจะเป็นเพราะมีความเคารพนับถือมีความ ก, กตัญญูกตเวที หรือมีความเมตตาส ง, สงสารต่อผู้รับการให้ของเราไม่ว่าด้วยเหตุผลกลไกลอันใดถ้าเป็นการให้ด้วยความสุดจริตใจคือไม่มีความปรารถนาที่จะรับสิ่งตอบแทนจากผู้รับการให้นี้ก็จะทำให้กลายเป็นซั์ภายในขึ้นมาทำให้ใจมีความอิ่มมีความสุข เหมือนกับมีเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านขึ้นมาแล้วก็ความอิ่มใจสุขใจความทูนใจนี้จะไม่สูญหายไปจากใจจะไปกับใจต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ดับไปแล้วก็จะพาใจให้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆตามลำดับแล้วถ้ายังไม่ไปถึงพระนิพพาน ต้องกลับมาเติมบุญเติมกุศลก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างที่ดีหน้าตาสวยงามผิวพรรณผ่องใสมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีอาการครบส2มสองมีอายุยืนยาวนานมีฐานะการเงินการทองที่ดีที่ร่ำรวยอันนี้จะเป็นอนิสง ของการที่เรามีทรัพย์ภายในติดไปกับใจของเราทรัพย์ภายในอย่างที่สองก็คือสีคือการละเว้นจากการทำบาปเราไม่ทำบาปแล้วเราก็จะมีทรัพย์ที่จะป้องกันไม่ให้เราต้องไปเป็นขอทานทางจิตวิญญาณคือไปเป็นเปรกหรือต้องไปใช้หนี้ใช้กรรมในนรก หรือต้องไปเกิดเป็นเดราาัจฉานเพราะว่าศีลนี้จะป้องกันคุ้มครองจิตใจไม่ให้ไปติดคุปติดตลาดหรือไปเกิดในสภาพที่ไม่น่าปรารถนานี่คือบุญชนิดที่สองที่เราเอาติดตัวไปได้ซับที่สองถ้าเรามีศีลแล้วซับที่เราจะได้ ก็คือมนุษยทรัพย์เทวทรัพย์ขึ้นไปจนถึงอริยทรัพย์ทรัพย์ชนิดที่สหรือบุญชนิดที่สที่พระเจ้าทรงสอนให้เราสะสมกันสร้างกันขึ้นมาก็คือบุญที่เกิดจากการภาวนาทรัพย์ที่เกิดจากการภาวนาก็มีอยู่สองส่วนด้วยกัน ส่วนแรกเรียกว่าสมถภาวนาคือการทำใจให้สงบด้วยการเจริญสติอย่างต่อเนื่องเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธไปอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยใจนี้เป็นเหมือนลิงถ้าเราไม่จับมันผูกวัดไว้กับเสามันก็จะไปเพ่นพ่านไปเล่นไปเที่ยว แล้วก็ไปสร้างความเสียหายต่างๆตามนิสัยของมันแต่ถ้าเรามีเชือกผูกคอมันไว้แล้วก็มัดไว้ที่เสาหรือต้นไม้มันก็จะไม่สามารถไปสร้างปัญหาไปสร้างความวุ่นวายต่างๆได้ใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่มีอะไรผูกใจดึงใจเอาไว้ใจของเราก็จะคิดเรื่อยเปื่อย ส่วนใหญ่ก็จะคิดไปในทางความโลภความโกรธความหลงคิดไปในทางความอยากต่างๆพอคิดแล้วก็จะทาให้อยู่ไม่เป็นปกติอยู่ไม่เป็นสุขจะต้องไปทําตามความคิดอยากจะดื่มสุราก็ต้องไปดื่มสุราอยากไปเล่นการพนันก็ต้องไปเล่นการพนันอยากไปเที่ยวกันคืนก็ต้องออกไปเที่ยวกันคืนแล้วก็ไปมีเรื่องมีราว เสพสรายาเมาก็จะไม่มีสติประคับประคองใจก็จะไปทำอะไรที่เสียหายได้เช่นถ้าขับรถก็อาจจะไปเกิดอุบัติเหตุทำให้ตนและผู้อื่นนั้นเจ็บตัวหรือว่าถึงแก่ความตายได้นี่คือเป็นเพราะว่าไม่มีสติคอยควบคุมความคิดของตนพอปล่อยให้คิดแล้ว พออยากจะทำอะไรอยากจะได้อะไรก็จะไปทำเพราะว่าถ้าไม่ได้ทำแล้วจะจะตายให้ได้เวลาอยากได้อะไรนี้ไม่เชื่อลองดูเวลาลูกอยากได้อะไรแล้วไม่ให้ลูกดูดูซิว่าเขาจะอยู่เฉยๆได้หรือไม่เขาจะร้องขออย่ย่างนั้นขอไม่ได้ก็จะร้องหมร้องไห้บางทีก็ทำท่าจะตายให้ได้ นี่คือลิธิ์ของความอยากที่เกิดจากการไม่มีสติปล่อยให้ใจคิดไปเรื่อยเปื่อยแต่ถ้ามีสติเช่นมีการบริกรรมพุทโทธพุทโทธอยู่เรื่อยๆความคิดต่างๆก็จะเบาบางลงไปเวลาที่เกิดความอยากเราก็สามารถยุดมันได้ด้วยการบริกรรมพุทโทธพุทโทธไปพอเราบริกรรมพุทโทธพุทโทธไปสักระยะหนึ่ง ความอยากก็จะหายไปเราก็จะลืมไปว่าเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรืออยากทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่คือการควบคุมใจให้ตั้งอยู่ในความสงบความสงบนี้เป็นที่ตั้งที่ดีที่สุดของใจเพราะเป็นที่ตั้งที่ปลอดภัยที่สุดผู้ที่มีความสงบแล้วจะไม่ต้องไปทำอะไรที่จะเกิดความ เสียหายให้กับตนเองและแก่ผู้ผู้ที่ยังไม่สามารถรักษาศีลได้ก็เพราะว่ายังไม่สามารถควบคุมใจของตนให้ตั้งอยู่ในความสงบได้นั้นเองถึงแม้จะรักษาศีลบางทีก็ยังแยแกแตกข้อออกไปศีล น, นี่เป็นเหมือนข้อบางทีสัตว์ที่เราขังไว้ในข้อ มันอยากจะออกนอกข้อมันยังหาทางแหกข้อออกไปได้ฉันใดใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่มีสมถะภาวนาไม่มีการเจริญสติเป็นผู้ควบคุมความคิดไม่ช้าก็เร็วมันก็จะแหกข้อออกไปได้พยายามรักษาศินสมาทานศินแทบเป็นแทบตายพอเผลอปั๊บมันออกไปแล้วไปโกหกแล้วไปพูด ไปหลอกลวงผู้อื่นแล้วดีไม่ดีอยากได้อะไรก็หยิบมาเลยไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าของเขาก่อนนี่ก็เป็นเพราะว่าใจไม่มีความสงบถ้าใจมีความสงบแล้วจะไม่อยากได้อะไรจะมีความอิ่มเหมือนคนที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วพอรับประทานอาหารอิ่มแล้วจะไม่อยากจะรับประทานอะไรอีก อยากจะทำอยากจะรับประทานก็ต่อเมื่อมีความหิวเกิดขึ้นมาใหม่ซึ่งก็อีกหลายชั่วโมงด้วยกันนี่คือวิธีที่เราจะสร้างทรับภายในเพราะว่าเวลาเรามีความสงบแล้วเราจะมีความรู้สึกเป็นเหมือนมหาเศรษฐีเพราะว่าจะไม่อยากได้อะไรคนเราจะเป็นเศรษฐีจริงหรือเศรษฐีปลอมก็อยู่ตรงที่ยังมีความอยากหรือไม่มีความอยากนี่ ต่อให้มีเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ถ้ายังมีความอยากอยู่ก็ไม่ถือว่าเป็นเศรษฐีจริงเพราะยังไม่พอนั่นเองยังอยากจะได้เพิ่มขึ้นมาอีกแต่คนที่มีความพอแล้วมีความสงบจะไม่หิวจะไม่อยากได้อะไรคนนั่นแหละคือเศรษฐีที่แท้จริงความรู้สึกของคนนั้นเป็นความรู้สึกของมาหาเศรษฐี เพราะว่ามีมากมายจนรู้สึกกินไม่ได้ไม่จนไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะมีอะไรอีกต่อไปนั่นเองนี่คืออ น, นิสงค์คือทรัพย์ภายในที่เราจะได้รับจากการเจริญสมัมมาวนาแต่สมัมมาทิวนาคือความอิ่มใจสุขใจนี้จะเป็นของชั่วคราวเพราะเวลาออกจากความสงบออกจากการนั่งสมาธิมา ใจก็จะเริ่มคิดปรุงแต่งแล้วถ้าไม่มีอะไรมาคอยควบคุมใจใจก็จะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาจากมหาเศรษฐีก็กลับกลายมาเป็นขอทานเพราะยังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ถ้าอยากจะรักษาความเป็นมหาเศรษฐีให้คงไว้ตลอดไปเวลาเกิดความอยากก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจให้ไม่ทําตามความอยาก ให้เอาความจริงมายืนยันกับใจว่าสิ่งที่ใจอยากได้นี้ไม่ใช่เป็นความสุขแต่เป็นความทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่ามันไม่ถาวรมันเป็นความสุขชั่วคราวเช่นอยากได้แฟนพอได้แฟนมาก็มีความสุขแต่พอแฟนจากเราไปเราก็จะมีความทุกข์นี่คือปัญญาต้องสอนใจให้รู้ว่า สิ่งต่างๆที่ใจอยากได้นี้มันเป็นความสุขปลองเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวมันเป็นความทุกแท้เพราะมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เราได้มาไปเวลานั้นจะไม่มีความสุขหลงเหลืออยู่ภายในใจจะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจเพราะว่า สิ่งที่เราอยากได้หรือบุคคลที่เราอยากได้นี้เป็นของไม่ถาวรเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่เหมือนเดิมไปตลอดถึงแม้ยังไม่จากเราไปเขาก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนจากเป็นคนดีมากลายเป็นคนไม่ดีได้เปลี่ยนจากคนที่ไม่ดื่มสุรามาดื่มสุราได้เปลี่ยนจากคนที่ซื่อสัตย์มาเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ได้ เวลาเขาเปลี่ยนแล้วเวลานั้นความสุขที่เราได้รับจากเขามันก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปนี่คือการเอาความจริงมาสอนใจสอนให้เห็นว่าความสุขที่เราได้รับมานี้เป็นความสุขชั่วคราวเพราะจะต้องมีการพัดพากจากกันหรือมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ควบคุมไม่ได้เราไม่สามารถสั่งให้สิ่งที่เราได้มานี้ ให้ความสุขกับเราไปจนถึงวันตายได้นี่คือความจริงที่เราต้องเอามาสอนใจเอามายืนยันกับใจถ้าใจเห็นว่าเป็นความทุกข์แล้วไม่ใช่เป็นความสุขถ้าเห็นว่าเป็นความสุขกลองเป็นความทุกข์แท้ก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ใจก็จะกลับมาอิ่มเหมือนเดิมกลับมาเป็นมหาเศรษฐีเหมือนเดิมได้ นี่คือเรียกวิธีเรียกวิธีนี้เราเรียกว่าวิปัสนาภาวนาเราต้องมีทั้งสองชนิดด้วยกันมีทั้งสมถภาวนาทำใจให้อิ่มให้พอก่อนพอมีสมถภาวนามีความอิ่มมีความพอแล้วพอออกจากสมาธิมาเวลาเกิดความอยากก็ใช้วิปัสนาภาวนามาสอนใจเอาความจริงมายืนยัน ให้ใจเห็นชัดๆว่าสิ่งที่อยากได้นี้เป็นกองทุกข์ไม่ใช่เป็นกองสุขพอเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรพอไม่อยากมีอะไรไม่อยากได้อะไรใจก็กลับอิ่มขึ้นมาใหม่กลับกายเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาใหม่และจะเป็นมหาเศรษฐีอย่างถาวรเพราะว่า วิปัสสนานี้จะทำลายความอยากทั้งหลายให้หมดไปนั่นเองพอไม่มีความอยากแล้วทีนี้ก็จะมีแต่ความอิ่มความพอไปตลอดนี่เรียกว่าเป็นทรัพย์สูงสุดคือพระนิพพานที่จะเป็นทรัพย์ของเราต่อไปถ้าเราสามารถบำเพ็ญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาได้ ถ้าเรายังไม่ได้ก็ขอให้ทำไปตามกำลังของเราทำไปเรื่อยๆระหว่างที่ทำเราก็เติมรัพ์อย่างอื่นต่อไปทรั์ชนิดที่สี่ที่พระเจ้าทรงสอนให้เราหมั่นสร้างกันขึ้นมาก็คืออนุโมทนาบุญเวลาผู้อื่นได้ทําบุญเราก็ควรที่จ ะ, สะแสดงอนุโมทนาจิตชื่นชมยินดี กับการทำบุญกับการทำความดีของผู้อื่ น, นเวลาเรามีความชื่นชมเยนดีเราก็จะเกิดความสุขใจพร้อมไปพร้อมไปกับเขาด้วยเห็นเขาไปทำบุญกลับมามาเล่าให้เราฟังเราก็อนุโมทนาไปพอเราอนุโมทนาใจของเราก็เกิดความสุขใจตามไปด้วยนี่เรียกว่าการสร้างทรัพย์ภายในอีกอย่างหนึ่ง ก็คือการอนุโมทนาบุญการนั้นการสร้างทรัพย์ภายในอีกอย่างหนึ่งก็คือการอุทิศบุญส่วนกุศลบุญที่เราทํานี้เป็นเหมือนทรัพย์ภายในที่เราสามารถเอาไปทําบุญให้แก่พวกกายทิพย์ทั้งหลายได้กายทิพย์ที่จะรับส่วนบุญของเราได้นี้เราเรียกว่าเปรตเพราะว่าเปรตเป็นผู้ที่ไม่มีบุญติดตัวไป เวลามีชีวิตอยู่ไม่เชื่อไม่สนใจในเรื่องการทำบุญไม่กลัวบาป พ, พอทำบาปแล้วไม่ทำบุญพอตายไปก็เลยต้องไปเป็นเปนเป็นขอทานทางจิตวิญญาณพวกนี้ก็จะมาคอยรอรับส่วนบุญของเราเหมือนกับขอทานที่มาคอยขอทานที่หน้าบ้านเราถ้าเราให้ทานไปแบ่งบุญไป เราก็จะได้บุญขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งคือบุญที่เกิดจากการอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลก็เราแทนที่จะเสียบุญไปเสียทรัพย์ไปเรากลับได้ทรัพย์ได้บุญเพิ่มขึ้นมาใหม่อีกด้วยการอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลอย่างที่ญาติโยมทุกครั้งเวลาที่มาทำบุญเวลาพระกล่าวญาตถาสัพพีญาติโยมก็รวชน้าอุทิศ ส, ส่วนบุญไป การอุทิศนี้ไม่จําเป็นจะต้องมีน้ําก็ได้เพราะน้ําไม่ใช่เป็นตัวบุญตัวบุญคือความอิ่มใจสุขใจที่เรามีอยู่ภายในใจของเราเราสามารถอุทิศได้ด้วยการอธิษฐานจิตไปไม่ต้องมีน้ํามาคอยตรวจน้ํานี้เป็นเพียงตัวอย่างของบุญของอาหารทิศที่เราจะแบ่งปันให้แก่ผู้ที่ยากไร้ ทางจิตวิญญาณนี้เท่านั้นดังนั้นเวลาเราจะอุทิศบุญนี้เรามีน้ำก็ได้ไม่มีน้ำก็ได้มีภระส่วนญาถาสัพพีหรือไม่ก็ได้เหมือนกันเพราะการสวดของภาะนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกวดน้ํากวดบุญอุทิศบุญของเราแต่อย่างใดการสวดญาถาสัพพีเป็นการสอนเป็นการบอกว่าบุญที่เราทํานี้ เราสามารถแบ่งให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้แล้วก็อนิสงค์ของบุญที่เราทำนี้ก็จะทำให้เรามีอายุยืนยาวนานมีความเจริญด้วยอายุวันะสุขะพละนี่เองดังนั้นเวลาเราทำบุญแล้วเราอุทิศได้เลยไม่ต้องมีพระมาให้พรญาตาสัก พ, พีแต่อย่างใดนี่คือ เรื่องของการสร้างทรัพย์ภายในสร้างบุญด้วยการอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลทรัพย์ภายในอีกชนิดหนึ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้ก็คือการช่วยเหลือหรืออุปถัมภ์ประทาผู้อื่นเวลาเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากเดือดรอ้อนมีอะไรที่เราพอที่จะช่วยเหลือเขาได้เราก็ช่วยเหลือเขาไปเป็นการสงเคราะห์ ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนก็ได้ถ้าเราเห็นว่าการกระทานี้จะทำให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่น mm hmm. เช่นเวลาเรามาวัดเราไปเข้าห้องน้ำเราเห็นว่าห้องน้ำมันสกรปรกเรามาช่วยกันทำความสะอาดห้องน้ำก็ได้หรือเราเห็นบริเวณวัดนี้มีขยะทิ้งกันเกลื่อนไปหมดเรามาช่วยกันเก็บขยะ ให้วัดว่าสะอาดเรียบร้อยอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการสร้างบุญสร้างทรัพย์ภายในขึ้นมาเพราะเวลาเราทำแล้วเราจะมีความสุขใจนั่นเองความสุขใจนี่แหละคือทรัพย์ภายในของเราคนเรานี้ไม่ได้สุขหรือทุกข์อยู่ที่ว่ามีมากหรือมีน้อยอยู่ที่ว่าสร้างบุญเป็นหรือไม่การสร้างบุญก็มีหลากหลายวิธีอย่างที่ได้พูดมา การเก็บขยะในวัดนี่ก็ได้บุญเหมือนกันไม่ต้องมีเงินทองมาทําบุญก็ได้มีญาติโยมคนหนึ่งเขาไม่มีเงินทองแต่เขามาวัดทุกวันเขามาช่วยกวาดขยะรอบบริเวณสาลานี้แล้วเขามีอาหารที่ได้เหลือมาจากพระเขาก็เอามาแบ่งปันให้กับสุนัขเขาก็ได้บุญทั้งๆที่เขาไม่มีทรัพย์ไม่มีเงินไม่มีทอง แต่เขามาทำประโยชน์ให้กับวัดพอทำประโยชน์แล้วพระเห็นคุณประโยชน์ของเขามีอาหารอะไรเหลืออยู่ก็แบ่งปันให้เขาไปเขาก็รับประทานส่วนที่เขาต้องการส่วนที่เหลือเขาก็เอาไปทำทานต่อได้ทั้งๆ ท, ที่เขาไม่มีเงินทองเลยแต่เขาสามารถสร้างทานขึ้นมาได้ด้วยการทำตนเองให้เป็นประโยชน์ แก่ผู้อื่นพอผู้อื่นเห็นคุณประโยชน์ของเขาก็ตอบแทนด้วยข้าวของต่างๆนี่ก็คือวิธีสร้างทรัพย์ภายในอีกอย่างหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือการเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนการที่เราเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนี้จะทำให้เราเป็นคนที่น่าชื่นชมยินดีน่าน่าช่วยเหลือเวลาที่เกิด เหตุการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นเพราะผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตอนนี้จะไม่ไปสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีให้แก่ผู้อื่นไม่เหมือนกับคนที่ชอบอวดเก่งอวดเบนอวดรู้อวดดีคนเหล่านี้มักจะไม่ใช่เป็นคนที่น่าชื่นชมยินดีไปอยู่กับใครที่ไหนก็ไม่มีใครอยากที่จะคบค้าสมาคมด้วย ไม่เหมือนกับคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนจึงมักจะได้รับการอนุเคราะห์ได้รับการสงเคราะห์ได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนจากผู้นี่ก็คือการสร้างบุญขึ้นมาอีกแบบหนึ่งคือการเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนขั้นต่อมาก็คือการ เผยแผ่ธรรมะถ้าเรามีธรรมะมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจและเราสามารถเอาไปสอนผู้อื่นได้การสอนธรรมะให้แก่ผู้อื่นนี้ก็จะเป็นบุญอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าจะทําให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์แล้ก็ทําให้เรามีความสุขใจขึ้นมาเพราะว่าเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้านี้ จะทำให้คนที่มีความทุกข์ใจนี้หายทุกข์ได้การที่ช่วยเหลือให้คนหายจากความทุกข์ได้นี่เหมือนกับช่วยชีวิตของเขาเพราะว่าถ้าเขาทุกข์มากจนไม่มีทางออกเขาอาจจะคิดฆ่าตัวตายก็ได้แต่ถ้าเขาได้ยินได้ฟังธรรมที่เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาได้เห็นผลของการปฏิบัติแล้วแล้วเรานำเอาไปสอนผู้ เช่นเวลาผู้มีความเสียใจเพราะสูญเสียสิ่งที่รักไปถ้าเราสอนให้เขารู้ว่าเรื่องลบานี้เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นกับได้ทุกๆคนไม่ว่าจะมีมากมีน้อยถ้าเรารู้จักทำใจยอมรับความเจงอย่างนี้เวลาเราสูญเสีย สิ่งเหล่านี้ไปเราก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจจนถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายถ้าเขาเห็นความจริงอย่างนี้เขาก็จะเปลี่ยนใจไม่ฆ่าตัวตายได้ก็เท่ากับเราได้ช่วยชีวิตของเขาด้วยการแสดงธรรมด้วยการให้ธรรมะกับเขาถ้าเราไม่มีธรรมะในตัวเราแต่เราได้อ่านหนังสือธรรมะที่ดีไม่ว่าจะเป็นหนังสือ ที่คัดมาจากพระไตรปิฎกหรือหนังสือของครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายเราอ่านแล้วเห็นว่ามีคุณค่าทําให้จิตใจของเราหายทุกข์ได้เราก็เอาหนังสือเหล่านี้มาพิมพ์มาแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นกระด้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการสร้างทรัพย์ภายในอีกวิธีหนึ่งทรัพย์ภายในอีกวิธีหนึ่ง ก็คือทรัพย์ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมนีเ่เวลาเราฟังเทศฟังธรรมแล้วใจของเราจะเกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดความเห็นที่ถูกต้องถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องเราก็จะสามารถนำเดินชีวิตไปในทิศทางที่ถูกที่ดีที่งามได้ทำให้ชีวิตของเรามีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญได้ นี่ก็คืออันนี้ส์ที่เราจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วก็จะทำให้จิตใจสงบมีความสุขและประการสุดท้ายก็คือการทำใจให้มีความเห็นที่ถูกต้องให้เห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงตายแล้วต้องไปเกิดใหม่มีจริง ไปเกิดสูงเกิดต่ำก็อยู่ที่บุญที่บาป ท, ที่ทำเอาไว้แนละ้วถ้าอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็สามารถยุติได้ถ้าปฏิบัติธรรมคือเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องเหล่านี้เราก็จะดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ดีที่จะนำพาให้เราไปสู่ความสุขความเจริญ ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้นั่นเองนี่แหละคือทรัพย์ภายในที่พูะเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาสร้างกันเพราะทรัพย์ทั้งหมดนี้เราเอาติดตัวไปได้เราเอาปัญญาไปได้เอาสัมมาทิฏฐิไปได้เอาความสงบสุขของใจไปได้เราเอาความเมตตาไปได้เราเอาความกรุณาไปได้เราเอาทานไปได้เอาศีลไปได้ แต่อย่างอื่นเราเอาไปไม่ได้เราเอาทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไปไม่ได้เราเอาลูกเอาหลานไปไม่ได้เอาสามีเอาภรรยาไปไม่ได้ดังนั้นอย่าสะสมสิ่งที่เราเอาติดตัวไปไม่ได้เพราะไม่ช้าก็เร็วเราจะต้องออกเดินทางกันถ้าเราออกเดินทางโดยไม่มีทรัพย์ไปเราก็จะไปแบบขอทานถ้าเรา เดินทางไปด้วยก็มีทรัพย์ติดตัวไปเราก็จะไปแบบมหาเศรษฐีนี่คือทางเลือกของเราที่เราสามารถเลือกได้จะไปแบบขอทานหรือจะไปเป็นแบบเศรษฐีอยู่ที่การกระทำของเราในปัจจุบันนี้ถ้าเราหมั่นสร้างทรัพย์ภายในอยู่ได้เรื่อยเราก็จะไปแบบเศรษฐีถ้าเราไม่เชื่อเราไม่สร้างทรัพย์ภายในมัวแต่สร้างทรัพย์ภายนอก ตายไปเราก็จะไปแบบขอทานจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างทรัพย์ที่แท้จริงนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญที่จะตามมาต่อไปาการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนชัย